สร้มาสะดุดแล้วสร้างมาหลายปีแล้วยังบนงงเศ้าสร้างกันคิดเห็นคำที่มันพูดมันดา่ามันว่ากูแหงสร้างหลายเข้าไว้จะสิย่อเขาสิบวิเชียนเขาขืนบ้านเขาสิบตวตรอดรับอาคัตุกะค้นหน่เนาะนี่เอ็นลักษณะอันตรอดรับคนนี่ฮะเท่ากันเขาสร้างเขาห้องปตะตอลับก็ได้แต่ในไล่าประพฤติถ้มปฏิบัติถ้มขันคนขเข้าใจถึงกิตานุปนัสฐานนี่เรื่องตรอนรับอารมณ์เพิ่นแหงบ่อ้ปฏิเสธ เป็นให้ต้อนรับเมื่อนี่อารมณ์ดีก็ไห้ต้อนรับอารมณ์เสียก็ไหต้อนรับไววปฏิเสธจะปล่อยให้อารมณ์ตกไปซื้อๆโดยที่ห้องบ่ได้รับประโยชน์จากมั่นบ่ได้รับก่วงฉลาดจากมั่นกันบบ่ได้แน่นอนเพื่อนจะค่อยถือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับห้องนี้ห้องต้องถือว่าอาัารตุกกะมหาห้องห้องต้องต้อนรับต้อนรับอาัารตุกะคืออารมณ์นี่บ่ยากคืออาัารตุกกะบุกคนอก พี่ป่านาอามาเยี่ยมเฮ้าผวกป่าผูกลุ่มไม่เยี่ยมเฮ้าผวกยาติสนิดมิตรสหายมาเยี่ยมเฮ้าจ็ดสี่เฮ้ากับเชงขึ้นบ้านปู่เสือสาอาสนะหากันหนํามขันช้าท่าเพิ่นสิพักพอนรับนอนกับเฮ้ามา น, น้นไมาเยี่ยมเฮ้ากับอยู่กับเฮ้าหลายขึ้นเฮ้ากับให้ที่รับที่นอนเสร็จละอาคันตุกาจิเลนี่หมายถึงอารมณ์หนึ่งเฮ้าบัวดชหาศาสหาเสือมาปู่เรียกกันเฮาตัวรับเฮ้าออาสตีพี่ออกอรับอะมาดูมาตาม่างไก่ได้เสร็ ผู้ดใดเห็นธรรมะร่มมากเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแข็งแจร่งนี่แสดงว่าเขาตรรับอารมณ์กันเมีนผู้ใดเห็นธรรมะร่มคันเห็นอารมณ์แล้วอยกเสเพยงจ้องมั่งขมี้งออกไปที่ อ, อื่นซับมาเบิ่งจะขอหนี่เพื่อนว่าสติของเข้าสีเป็นมหาสติกำลังเข้าไปอฟอกฝม้วนขิ้ ใ, ใจมันตกไปสับต่างๆกินเขาเคเรื่องินี่เลืฟังว่านิพพิธาวิราค้าวิมุตสิเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนซ้อนๆยุ่งหันล่ะข้าน่าแยกเบี่ยงขั้วหลุดซื้อออกไปนอก เขาเห็นกระทาใช้หน้าหน้านะ่ะมันคือเป็นศัตรูคู่รีเย็บเพยงจ้างมองหนาเขาให้กลับมาเบื้งเจ้าของบรมนศ อ, อาตาเนื้อบึงให้สติเนี่ยเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะนะ่ะยามใดข้าวใดเขาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาด้วยตาสติตาปาัญญาเข้ามาเห็นอารมณ์หมายถึงรู้ซึกตัวเห็นจิตมันก็เพื่องเห็นจิตมันคุณมันเสามันหมองแค่ี่เห็นนี่แสดงว่าเขาย้อนกลับมาเบื้องเจ้าของเขาท้วนกระเสียปฏิเปรี้ยวว่าท้วน นี <N> ่ยเพื่อนมาปฏิบัติธรรมโบลายกลับดอกตาเห็นขันว่ามันมั่วมันเสามันหมองกับกับมาเบิงนิโรดเนี่ยหูเหลยินงในฟังคำพูดของเขาที่พูดออกมาลูด ป, ป่าเขามันว่าส้นกับหูเฮ้าเป็นคำพูดที่กระแทกกระทั่งเฮ้าอ่ะก็พูดกระแทกกระทันประชดประชันดาวาต่างๆนี่เฮากับมาเบิงผิดในปฏิปไปว่าตอบไปว่าท่วนแปลว่ากับปฏิบัติธรรมหาเฮากับกับบรลุท ด, ด้วย ตาเห็นกับกับมาเบิ่งใจเจ้าของงูได้ยินมในฟั้งกับกัมมะเบิ่งใจเจ้าของดังในกินที่หอมที่เหม็นอย่างไรกลับมาเบิ่งใจเจ้าของแค่นี้เรื่องยี่งขึ้นกันในรถที่ถูกใจหรือรถถูกใจแค่ไหนกลับมาเบิ่งใจเจ้าของพี่ให้กลับมาพี่คำว่ากลับมะเบิ่งบมเมนต์อตาเหนือเบิ่งสติกลับมารู้ซึกกันยังว่าผู้ใดเห็นทำมาล้มมาเกิดสึ่งเฉพาะหน้าเฮากันยังสวยอยู่ ไปอยูปา น, นัญญายโยธรรมังตถาทายิปสติสหิรังสังกุ ป, ปังตังวิธานปรุหาเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั่นอย่างแยมแย้งไม่งอแงคลอนแคลนก็วรพอกพูนอาการนี่ควรพอกพูคนควรสะสมควรรวบรวมอาการเนี่ยโมเมนเ์อมมือเก็บด้ิเห็นบ่อยๆซื่อเนี่ยเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะนานั่นก็แสดงว่าห้าวสี่ใช่สติห้าฝึกสติมากฝึกกรรมฐ า, านนํนา ก, า ก, กัญญาจักีปี เพิ่นบอบอกวิธีใช้มันดอกให้เขาลูกจักวิธีใช้อาไว้นั่งเถื่อเนี่ยคันคืนมหาพี่มันมันสิลูจักปลดเปืองเกียไขายอารมณ์บาีิยองขึ้นไปหาพวกกายานุปัสสนาอีกจล็หน้อยดออข้าวากายานุปัสสนานี่เป็น เ, เรื่องของภูไมยแม่นภูเขากระต่องเบิงอยู่นี่ขยันฮกเข า, เาฟืกึกสติเยเะสิ ในขณะที่เทาเดินได้อาร่ม้างแก่วได้ร่มจิตบ่ปุง่งจิตบ่วิ่งว่อนคำว่าบ่วิ่งว่อนจิตบพ่พลุกพานบ่ปุ่งซ่านนั่นละ่ะคำว่าจิตบ่ปุ่งซ่านนี่บ่ตกอไปในบ่บ่บบถู ด, ดิวนันความง่ำงันถัะบ่มี่คว่ำง่วงบ่มี่คว่ำเงาบ่สลื่มสลือ่อกรรมฉันทะที่นักงน้องไปทา้งคุณคิดไปทา้งกามทังโกรธทา้งเกียดกระสิบ่มีสีเรียก ว, ว่าอยู่กับกายการเคลื่อนไหวอย่างดีเพราว่าเดินได้อารถร่ม แค่นี้อยู่กับกายญานุปัสสนาสถิตยอยู่กับกายเขากิดเฝ้าศึกษาเรื่องกายแหละซํากันกับลูกอยู่กับเพื่อนกั บ, บเ บ, ưng, บ, ưng, บ ưng, ื้งเพื่อนเบื้งซ้ายน่ะละเบื้งเมีนเบื้องซีกันเห็นเห็นไดมันขาดเกินมันบกพร่อบบานหกและเจรักะเขากระชักกะากกายเลยอันนี้เขาอยู่กับกายเขาเห็นกายก็เข้ า, าเกิดต่างๆหน้านาขึ้นมากเกิดปัญหาขึ้นกับมัน่นเขาก็แก้ไขให้มันจังมือหนีประพอเสียงพาที่แจ่มมือเออแจ่กเถื่อนมือ นาวมนตลอดมือเขากิดเป่าอเอาผ้าห่มปูไข่มัน่นบําบัดควมหนาวเวทนาคือนควบหนาวเขาเกิดใจว่าโอ้ขนาหนาวหลายมันก็เป็นไพ่มีข่าวทุกปีว่าคนหนาวตายยิ่งผู้เฒ่าเ้งตายไว้สิเพราะผู้เฒ่าควบทานท้ายไม่หน่อยมีหน่อ ย, น, อยนี่หนาวกิดอันตรายถึงตายเกินเขาเกิดใจว่าความหนาวเกิดเป็นไพ่เกินสัญญาของเขาก็จําได้เมีนบ่อเมื่อลูกประทัามันโดนไพ่ไพ่เกิดก็ควายลูกเมียนบี่ไพ่แปลว่า ไพ่เสษเข้ากับบ่เห็นเอาตาเนื้อเบิงบ่เห็นเมบนบ่หนิอันเควื่นหนาวนี่บ่เห็นยิ่ง่าตาเนื้อมันกับมีมีควื่สามารถต่ำๆยังพวกหลวงพ่อเลี้เยเห็นโยมก็เห็นแต่ตัวตนสะกุละกายเห็นตะลูบก ร, ปประทตาเนื้อของเข้าท่อนี้มีควื่สามารถต่ำๆสนิบบ่เห็นเอียงหลายอย่างเดี๋ยวไปลึกๆกับบ่เห็นเห็นแต่ตาเออตาเนื้อมีเห็นแต่ท่อนี้เห็นแต่ลูบหลางหางชิ่งเข้าละ เห็นแต่ตัวตนสกุลกายของการเรกการเท่านัน้นผู้ได้นุ่งผ้าที่ใดผู้ได้นั่งผู้ได้ยืนผู้ได้เดินเห็นเท่านี้เท่บ้านนี้สิเบื้องอาการกายนี้มันมันบวตามเข้าไปได้ตาเนื้อเบิ้งแมีคนหนึ่งคนหน้าเล่าสิเดี๋ยวนี้เราสิห่อนัสิหนาวสิบ้องแจ้กน้ำเล่านั่งโดินไปนี้เราสิเนืดอเหนื่อ ย, อยหลา่าบ่วแจ้งสิบ้องแจ้กนําเราสิเก็บปว ด, วดรัวเล่าระบบ เนื้อตัวบอนี่บ่หลุจากน้ำเนี่ยเบิ่งรู้บ่ขงจ๊บเพิ่นสิเจ็บสิปวดก็บบ่จ๊กเพิ่นสินิสสินเนื้อสิเมื่อสินลาก็บ่หลุดจากน้ำเพื่อสิเกิดอ้อนเปียกเพี้ยแรงก็บ่เห็นนําเป็นนิสชาที่ขายแขนตีนมือกระบ่เห็นนํามันเป็นประจัดตังเรื่องจ้าสิมันเป็นปัจจัดตังเป็นเรื่องของแต่ละคนเห็นในเนื้อในตัวของเจ้าของเองคําว่าเห็นในเนื้อในตัวกระบ่เมนเอาตาเนื้อเห็นรู้ซึกหนาวกระรู้ซึกสติมันรู้ซึก การเพลื่มนหนาวจิตถึงขนาดได้สติมันกระบอกหาผ่ามนุษย์มันจําได้สัญญาเนี่ยจาได้สัญญาณโบเมีนจําโอ้คนนั้นน่าก่อผู้นี้พบกันมา่ตะเดินทูกไปคนบ้านนั้นบ้านนี้เมียนบัดสัญญาจําเสื้อจําผ้าจําเครื่องใช้ไม้สอยของเกี่ยวของก็ได้แค่สิสัญญาท่านั้นล่ะสัญญามันใช้งานมาหลายสัญญาควาเหาอแล้วมัน ก็บอให้พูดเท่าไปจำอีกยังหลายดอกเรื่องฝึกกรรมฐานกับเมื่อเดียวแล้วสติยุ่กับกายเขาจะค่อยเอื้นกายญาณุปัสสนาคันท้เดือนขยันสางจังหวะกับขยันสติกัอยุ่กับเหนือกับกายย่าดีเวิลล่าสางจังหวะยกมือขึ้นเอามือลงยกมือไปเอามือมาสติกับยุ่กับการยกมือเมื่อว่างถึงเขากะรู้สึกตัวเมื่อขวมเมื่อหงายกะรู้สึกตัว่ฉยสิ ลูซิกตัวไปตามจังหวะของมือซ้ายมือขวามันทํางานนี่เขาเอื่นว่าลูบถ้ำทอดสลับนะลูบถ้ำน้ามมาถ้ำมันก็ทํางานอยู่น้ามก็เป็นผู้ลูซิกน้ําก็เป็นผู้หงมือเบิ้งกันไปจค่สี่คันน้ามแล่นนี้จกายมันสิ่งที่มือวางลงหัวเขามันก็บบลูซึคตัวแล้วเพข้อมันนิเกล์กันไปแล้วเนี่ยมันบทีสอยห้อยตามอันเพื่อนจะค่อยบอเอิ่นว่ากายันปัสนาเขาเอิ่นว่ายึดทิ้งฐานตัว นะกรรมฐานเนี่ยกรมกรมปลว่าการกระทั่งปฏิวัติที่ตั้งของการกระทั่งกายเนี่ยเนี่ยมาดูคันคิดประยุกต์กายเขาเอื่นกรรมฐานยังไงเอื่นคิดทิ้งฐานคิดบ่คิดมันประยุทธ์เย้าฟ้า บ, บ้านกายเป็นเป็นบ้านคุณตัวเนี่ยเรามาคิดมาดูเฮาเฮาเป็นสามัญชนเมนบ่เป็นสามัญชน อาหารกายก็เข้าเข้าสีใช้คําว่าสวยบย่อยส่วาเข้าภาเขาเอาหามาโลงอันนี้หาภาเขามา้ามีกับมีแฉมมีอาหารหวานถ้าเป็นแต่ ก, ก, าากินเป็นแต่ยาในระหว่างเข้าเข้ากังจอว่าเข้าเป็นอ่ า, าดดราชดอนไปเป็นไพฟาพรสการนี่ก่อนเข้าเอิ่นกันไม่กินเขาเข้ากิดเชิญกันธรรมราเอาเชิญเลยวันนี้ถ้าเขายกมาแล้วเชิญมาละประธานด้วยกันไม่กินเขาด้วยกันเข้ากับสิว่าจันสีกันสีเอาเชิญเลย มืม่อเมื่สวยพักกรย่าหาหนุ่มกัสิบมมีจ็คเก็อือเลยว่ารบได้ห้าโบเมนกระสัดห้าบเมนเชื่อพผ้าวงแค่ว่าคันเว่ากับใจได้เล่นเนี่ยเพราะมันคิดสวยอารมณ์เนี่ยเข้าใจและทราบได้บ้าเ้เรื่องจิตของอมันรับทูกกเวทนากายของเได้รับถูกกเวทนาสุขเวทนาสิเขาเอื่นว่าสวยอารมณ์ได้ได้บางนี้่มาดูศาสนาจิตนี่แสดงว่า ขันห้าวเอาเอาันเบามาก่อนครับไฟหน้ามาทํานีเขาสิ บ, บว่าห้าเปล่งขดบางไงไฟสูงบ่เมือนขดลืมฉากห้าวไปลาดสะดอนก็นจริงแหละแต่ว่าซัดหนีบเขานิยม ก, กันเบามาตัง้งแต่เหิงบุน๋นห้เาเป็นปลายแถวห้าวกรเว้าไปนั่งเพิ่นเพิ่นผ้าเบามา ก, ก่อนนี่แสดงว่ากิดเสวยอารมณ์นีปากปากมันอยู่ใสเข้ามาเสวยอารมณ์ คันเซว่ยพักกับย่าหางกับต้องสวดเขานีแมนบอนี่เขาอาหารกายคันสวดเขาปาานี่เขาเอื่นอาหารไก่เสียด้วอาหารไก่บันนี้ไก่ก้องเข้าในเหมือมันส้มแล้วมันสีลูกขันนี่มันส้มแล้วอาหารกายมันกับกินบะแสขึ้อเกาเสิร์ฟตัวไปยนำอันใดอันนึงกับต้องละมันระว่างของแข็งแข็งเนี่ยเกี่ยวบะได้ซ้าไงว่าเข้ามันเป็นข้นซัวไหมมึงดูอาหาร เดี๋ยนี่ขออภัยเทาสึ่งอยู่ในว่า้แกว่ายชลาเป็นคนเถ่าเขาเอิญคนคนซัวละ่ะตามปกติคนซัวคำว่าซัวมีสองข้อหมายในคำว่าซัวที่ก็ต๊ะใจญหลดพวกผู้ถ่ออันซัวอันซัวเพราะเพราะทูศิลป์ไม่จะค่อยเป็นอนคนซัวที่โหนาคบค่าสมาชคมดอกเขาเอิอนคนทูศิลป์ น, นี้พวกพ่อแมพพพพ่พวกพวกพวกแม่ถึงสิได้ เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของอายุอานามที่มันไหลเข้ามาสุปุชล า, ล, าละเขาอื่นว่าคนส่วนนี่หมายถึงความสัวนชนินีผู้ได้เกลียกบพนมันมีมาเองของมันว่ามันเกิดจากการประพฤติส่วมันดูทุษถังนี่เขาแปลว่าั่วนแม่บ่ขันทุษินันแปลว่าประพฤติส่วเกิดจากการประพฤติส่วนทุศินอันนี้ทุพพลาภาพมันดูทุกัแปลว่าั่วนอกิดทุพพลาภาพหมายถึงพอแม่นี่เดี๋ยวนี้อายุอานามเขาไหวชลาละแล้ว ไวที่เขาเอื้ทุกคนณลภากเป็นคนสัวทางธรรมชาติเขามีหูเขามีตาเขามีขาเขามีแขนเขามีตีนเขามีมือหูขาเอ่เอหูขาตาจมูกปากของเขามันบวชขึ้อของหลูกของเต่าลูกต่าของเาเขาก็มีหูมีตามีขามีแขนมีตีนมีมือแต่ว่าอไหวะของเขาทํางานในอย่างเต็มที่กระจับกระเชงคล่องแคลวเนี่ยของเขา การกินของเขากับบคือเฮากินเอาจินเอาเจ้าในเจะว่าจินบุคคลกันพูดถึงอาหารกายสอดเขาป่าขึ้นกับเต้หังบุคคลกันไม่รู้เฮาจินอาหารกับจินขึ้นลูกขึ้นเต่าล่ะแต่ยวเฮาจินกับจินเจ่าเขาเสียงเฮาเจ้าสอดเขาป่าคือดเตีวเฮาเศร้าแสบแล้วด้นนั่นผู้เฒ่าเฮาเฮามาเบิ่งเปียงร่างกายสมั่งจะคว่ำแท้ร่างกายนี่ขันตัวเขามาไว้นี่แล้วลูกเต่าเขาหาพราเขาโล่งกับบุฟ่าบุฟังนําเขา บ่ย่านเขากินเบอรนี่จากในภาชนะภาใยๆสีมิแขงมีกับเป็นแต่กินเป็นแตยามีหวานมีข้าวเป็นแต่กินเป็นยากระบอกฝ่าฟังน้ำเขาลูกเต้าเขาสิกินเบอร์นี่จากกะบอกฝ่าฟังนี่แสดงว่าร่างกายของเข้ามันเขาอ่าเขาปูนข้าวแล้วมันหลุจากว่ามันถึงจุดอิ่มตัวจะสิกินไปหอดใสอีกกินไปแล้วก็ทํางานบ่ใดกินไปแล้วก็ได้แค่กินซื้อกินแต่ละมือก็กินขึ้นหลูขึ้นเต่า เจม้มิตรส้งตัวกระสุนมิตรส่งตัวกระสุนต่างจากบ่าวสาวเขากินลูกเต่าก อ, องเขาผูกเขาอยู่ในไวหนุ่มใบเหนี่ยนเป็นบ่าวเป็นสาวเขากินแล้วเขาได้ได้กาลังว่างชืมชีวิตผิวพันธุ์ของเขากับพูดผ่านบาตาขาแข็งแห้งมากกินไปแล้วกับกบระปี้กระเป้าของเขากระชับกระเฉงคล้องตัวอันผู้ถางเขากินไปแล้วกับว่ากินอิม่หมหรือไมแต่ว่าเบิ้งชีวิตผิวพรรณมิมีแตรหมื่นเหี่ยว หลังกับโคตกับความไปเรื่อยบ่อ่วนท่วนบ่สมบูรณนคือมายังคอยกินกับกินบ่ขึ้นเขาเขามีตีนมีมือกับบ่ขึ้นเขาเขามือหูมีตากับบ่ขึ้นเขาแชวะก็เห่าหนิกะอวัยวะเขาเหลือไว้แต่เห่าใส่ในบั้นปลายของชีวิตมิถะของห่างแชวไว้ทายยำกับยำดูกยำก้างกับ่ได้สั่นไปซุ่นค่อยๆกับเจ็บเงี้ยสิแต่มีไหวเห่าเบิ้งกับเบิ้งทางไปท่ามากกับยังตัวหลุมตกวล่องอยู่บ่เห็นยังชัดเจนทางไปท่ามากกได้แง้ก้นเข็มกับลุยปิลุยเปียด ในมิตรของหา้างที่เหลือไปเขาใส่บ้านเศรษฐีค่อยแบกรัวแบกฟืกก้นได้ทอนทอลำขิงข้อมือไปสู้ยังกับอะไรซัก้าเองก็ไม่ได้สีใครสีนาวมูดูสัวไปในสัตว ร, ร่รางกายของเขาเนี่ยเขาเอินทุกคนละผ่ามแปลว่าคนสัวที่พวกมันเนี่ยพวกคนสัวทั้งหลายเนี่ยสัวปอดเฟือง ว, ว่าอือสัวมากๆากแท้ๆนี่เลยมันเพราะฉะนั้นเขาสัวหลายเพื่อจะค่อยประ ก, กาศให้ลูกลูก หลานๆ ข, ขา้าวขวดลูกหลานที่อยู่ในไวัยบา่าววัยสาวรีบทํางานรีบเขามาส่วนมาต่างให้พ่อแม่ข้าวได้สบายเงียชราการที่ลูกทํางานทุกสิ่งทุกอย่างให้พอ่อให้แม่ได้รับกุ้งสะดวกสบายเขาเอ่นว่าลูกประพฤติทำได้ขอว่ามาตาปิดตัอุปทานั่งอุปถานพ่อแม่ให้รีบเฮ็ดซะกันตัวคอตัวคั้วแล้วมาสีห้างพอ่อห้างแม่ไป ที่บสถ์้อุปถัมภ์อุปถาคข้ามาอุปถาโบเมนค่อยสักผาขี่ตีผ้าเงียวเวลาพอกับแม่นี่เย็ยบไข่ได้หนาลวลมหมอนนอนเสือหมายถึงพอแม่อายุอานามเขาปูชร า, ลาแล้วให้เขามาทํางานอให้เขาได้ได้ซอยตีนซอยมือซ้ำพ่างเขาได้แจ้งงานแจ้งการเขาเขาเขาได้แจ้งงานแจ้งการแล้วเขาสีหางออกไปเนี่ยคําว่ามาจากปีตุอุปถมัมอุปถาน่งหรือกระตันยุกระเวทิตามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาควรตอบแทนเพราะว่าเขาเกิดจากเขา แต่กี่เฮาเลี่ยงเขาเลี่ยงมากผ้าใยซัวเขาสิเป็นผ้าเป็นสาวเป็นสาวเป็นหน้าพ่อเมียทุ่มให้บัตถุสิทุย่างเออหาใบหามรดกมวยหา้ใบหาให้ยหน้าหัวปานสวนม้อนที่ท่านอยู่ท่านกินบ้านช่องอ๋อพ่อเมีหาใบหาแล้วยบา้นี้เขาสิได้คว่างห้อยตีห้อยมือเฮาเอินว่าคว่างมรดกในขณะที่เขาสิคว่างมรดกนี่ร่างกายในชีวิตบรรพายนี่เฮาก็อยากฝากคว้างไว้กับลูกกับเต่าเฮาจังคอยอยากให้ลูกคว้างเฮาเป็นคนดีคนดี ในสุดท้ายแห่งชีวิตให้เขาได้อุปธรรมอุปถาได้ซ้อยเหลือสักพักนึงเฮากิดสิล่าโลกไปแค่สิแล้วเขากิดสิได้ทรงทางในขณะที่เขาอุปธรมอุปถาเขาเนี่ยท่งทางพอ่อแม่ก็หันหนาเขาวาดเขาวาแล้วพเพราะว่าเฮาโบลแลมแล้เดนเขาจึงค่อยเอื้นว่าพ่อตู่แม่ตู่ปัญญามีอยู่ปัญญามีร่างกายบวมนวยให้กัซ้ํ า, า, ก, า, า, า, ก, ากันกาแฟชายมิตรกระบอกมันทานโมมีแล้วเถอะมันสิไปสว่างแค่ไหน คงจะช่องทางที่สีมั่งมี่คงจะช่องทางที่สีลำรวยอยู่ทันเขาดำหน้ากรย่างไปบอกเฮ้ยจ้าสี่เด้อเฮ้ยเจ้าสามเด้อพ่อสี่พือจะไปคุ้มเขาใช้ ง, งานเลี้ยงเขาใช้งานกระบก้าแล้วพอแม่ผูดถาผู้แย่นั่งถากินกับลูกกับเต่าหละคันถามว่าอยู่กับไครไม่ตู้โอ้อยู่กับอีลานแล้วอ่ะอยู่กับลูกสาวหลาเพื่อนนั่นแหะเนี่เขาจะค่อยเอื่นว่าพอส่วนไปส่วนเขาเนเฮ็ดกินว่ไใดดอกเดียวนี้ไปเพิ่งเขา พอตู่ก็คือกันละแม่ตู่เพื่อล่ะมิตรแน่ตู่ตูแล้วใช้งานบริหาร่างกายบม่มะกับงานบ่เป็นกรรมนิโยเดี๋ยวนี้จงคอยลบมุ่งสงบสังนัดมะเพิงอยากให้มั่สงบพอจิตพอใจได้บม่มเยาว์าอยู่บ้านมิตรเด็กหน่อยห้องไอห้องหาใส่หูเขาอ่อนอ่อนว่อนแอวบ่มเยาว์ไกลใจกิดเคขรบมัน่นสนิยันใจของเฮ้งข่องอยู่ใคลายกับพระเนี่ยย่งยิน ด, ดีกระท่องกับเงินอยู่นี่แมงเงินนอนอยู่ในธนาค้างก็ยั ง, งเป็น อุบาสกต่อกันจะเลื่อนมาผลเบื่อสูงเหื่อนพ่อแม่ทีลบลูกบดลูกบดได้ล้านบดได้ให้กวนหูกวนใจที่ว่าไก่จา ก, กิเลสอะรห้างสามีเขาเปลี่ยว่าไก่หมายมถึงเขาอยู่ใกล้ๆกันเขาเอื้อมใส่กันถึงกันคนเป็นอย่างสติคันฝึกธรรมะฝึกกรรมฐานแล้วเข้าใจเรื่องชําร ะ, ะจิตชาระใจไปแล้วไปนอนอยู่กับลูกกับหล้านก่อเอื้อนวา่าไก่ใจกิเลสที่เก่าละเขารู้ดจา ก, ก, กวิธีชําระเข้าหลุจากวิธีวธปวดเปืองแก้ไขาอารมณ์เป็นนี้ อยากให้เอาไปใช้งานจะสละธรรมะบมเมนต์ว่าศึกษามาแล้วจนวัลุจักใช้งานกับบุค้าเข า, าขสัน พ, พอกะพอกับเมีเขาเอื่นอหรหันไปรจำตระกูลเอื่นพะระไปจำตระกูลไปแล้วแต่ว่าบัานปลายของชีวิตเนี่ยเขามีาศาสนาพูดเป็นเออเป็นสิ่งเครื่งบายเครยยงลายยูเฮาเก่า หาที่เพิงสุดท้ายที่เพิงอันนี้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะว่ามันเป็นที่เพิงทั้งกีทั้งใจอันทุกทั้งทั้งร่างกายเนี่พ่อแม่พ่อปดเปลืองเองได้ ล, ละใครอยู่อันใดอันใดไกลจนได้เฉลีย่ยเจือจานมาเหลียงพระเหลียงเจ้าอันเรื่องเครื่องอยู่เครื่องกลินเพื่องนองุ่งของหอมพระใจเครื่องอาศัยเนี่ยอืสามารถเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าพ่ออยู่พ่อกินแล้วเฉลีย่าายไม่ให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้ ครบแต่ฉันได้ยูได้กินได้ใช่ได้ซอยนัําพูดละยังตั้งแต่อที่เพิ่งท่างใจทัละอันมหาเนี่ยพวกเมนว่าพวก พ, อพวก่อผัวเมนมาหาเสือหาผาก็มาหาอภ่อนทางอภ่อนใจอาหารใจอาหารกายนี่ผู้อื่นที่ใด้เขากินก็ได้เจ้าเดี๋ยวนี้เขาเป็นนักปฏิบัติยุ่งหนีชีวิตติดกันร่วมร้อยสองรอยเขาอเขาอาจจะกินกับแม่รัว้วเพิ่งกับพ่อใจที่สีเลียงกันเขาเปิดพื้นดีปฏิบัติชอบ หากุศลมีเท่ากับเอาคั้วประพฤติปฏิเชปิบัติปร ะ, ดประดชดเนี่ยไปเป็นอย่างอย่างของสังคมส่วนอาหารใจนี่ต้องเฮ็ดกินไผ่กินมันบ่หมีแม่ ค, มคั่วค่อยเฮ็ดให้บะมี่พอคั่วค่อยทําให้ยังพระพุทธเจ้ากับเพิ่งกระตัดว่าอาขาตะโลดสัทธาขะตาเพิ่นมีแต่บอกคือซืืบอบ่สา ม, ส า, ม า, ารถสี่ทำให้เฮาบรรลุทําไรต่อเพิ่นบอกไว้ซะละข้าวเฮ็ดนําทําตามเฮ้าก็จยังค่อยสีพส่พอ่อ เดี๋ยวนี้เรื่องมันบวหลายมิแต่สะสมสติซือสติคืออันนั้เอาเกิดตัวหู้เมื่อนี่แหละเดินจงกรมก็ย่าเดินซื้อๆเที่ยงคันเดินทรงคิดสรงใจไปทั้งอื่นเขาเอื่นว่าเอเขาเขาเรียก ว, ว่าเดินแบกจิตโปรใสใจโปตามแล้วตอนนั้นแหละข้าวนั่นแหละเขาบ่เอิน่นกายญาณุปัสสนาเพราะว่าสติมันถิ่นฐานมันบวจุ ก, กเนื้อกะตัวมันบวจุ ก, กับกาย้องสิเอิ่ น, านกายญาณุปัสสนาจะไหน ว่ากายญานุป hmm. ัสสนาสติต้องหูเมื่อในเวลายกมือขึ้นกับหูเมื่อเอามือล่งกับหูเมื่อยกมือไปเอาหูเมื่อเอามือมาหูเมื่ออยู่สิเมื่ก้าวขาใส่หูเมื่อก้าวขาขั้วหูเมื่อสิ่งกันขาใส่โต๊กดินหูเมื่อขาขัวโตกดินหูเมื่อขาใส่โต๊กดินหูเมื่อขาขัวโต๊กดินหูเมื่อสะรับกันยุทจริญสิมันเถอะในขณะที่เราเดินเพื่นเพื่ออยู่นี่สติก็ตามทุกเก้าใส่มันเก้ากับหูเมื่อขั้วมั่งเก้าของเมื่อนี่เป็นกายญานุปัสสนา เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาขันมันลักคิดคำว่าละคิดนี่คิดโดยโบตุตังใจเดินโจ ก, กุมยุ่ดีๆกำลังได้อารมณ์มันลักคิดไปเห็นเฮือนเห็นทัน้นหรือคิดเห็นญาติอยากดึงเขามาปฏิบัติธรรมสิ่มันลักคิดสติส่วนหนึ่งเนี่ยสามสิบเปิดเส้นเทาแบ่งวัตตาตามหู้ภาคคิดภาค ใจน้าแน่เสีแล้วแบงไวัถ้ารูจักแบงวัฒน์รูซื้ส่วนนําเพราะมันลักคิดนี่มันคิดกระรูซื้ตัวโลดครับมันคิดหูเมื่อตัวละ่ะถ้าเอื่อนไปเห็นคิดแล้วเนี่ยเพรานว่ามันสี่รูเท่ารูท่านกับตัวนี้ละ่จะจากเศ้าไปหาเทียงสี่รักคิดใจเถื่อันมันลักคิดถึงสีเถื่อ เทากับรูซื้อตั๋วทั้งซีเธอร์ที่เขาเอื่นว่าจำนวนที่มันหลักคิดกับจำนวนรูซท่าเท่ากันและกับท่านกันพอดีตัดกันลงพอดีอยู่พอดีขยเยือขึ้นมาบ่ใดปรปุงแต้งเป็นเรื่องเป็นเทาบ่ใดสงบลงทุกที่เข้ามาสงบเกิดได้ในสะวัสดีสังวูห์ละอันนี้จายที่ห้าวานเตสังวูปัสมูสุ ข, ขุความที่เข้าไปอระงับดับเสียสิ้นสังลายเป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นเป็นความสุขอันใหญ่ยิ่งนักกว่าความสุขทางปวงเขาสวกกันมันปุ่งมันแจงมันก็ับปุ่งโบได้สติไปหูไปเห็นก่อนฟอไปหลดเนี่ยสงบไปหลดมันมันสิเป็นผลดีเี่้กันเขาห า, ายใจบ่อยๆนี่มันรู้จั ก, จกปะหารไปใน้ตัวเลยวิธีพืชกรรมฐานก็เห้าเนี่ยปะหาระเปเวลาได้ปะหารเนี่ยปะหานธะรนะรม ละในขณะสตีของเขายกับกายบสถยิยงฐานเป็นกายญ า, าุปัฏนาเวลาเดืนอนโุกงกายยูติดกับอ่าเวลาขาใส่มันต ก, กหัวเมื่อเวลาขาขวมันต ก, กหัวเมื่อเนี่ยมันบสถยิยงฐานมันกับกำจัดหรือมีปะหารอยู่ปะหารยังปะหารสิ่งเป็นม่านปะหารความคิดฟุ้งซ่านเห็นไหม ควบคิดฟุฟ้งซ่านหาบะมีเลยในขณะที่อ่ามันสมาธิของมันเต็มที่คือควมตั้งใจยุ่กับการเคลื่อนไหวอย่างดีเนี่ยแล้วก็ควมฟุฟ้งซ่านคิดไปหันคิดไปดีกั บ, บ่ะมีเนี่ยถือประหานแล้วนั่นแสดงว่าเขาขาแล้วได้ในสภาวะโลกัสสปาภูปะิเล ส, สขาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาดได้อวิจิเตสเนี่ยบะเมณหาว่าจะ่ยย่ำมะกรูดก็ได้ขาเขื้อมันเห็นสิขาทําน้องเดียวกันนี่ละ เวลาควบโกดเกิดขึ้นก็ได้เกิดโกดเกิดเจียยเกิดเชียดคุ้นเกิดอารมณ์ชุนเคียวเกิดหดหูเกิดว่าเวก่ะสิใช้วิธีดีล่ะอืมมันคิดกะหูมันเห็นมันเจ๊งสิล่ะขันหูเห็นมันในข้าวหูข้าวเห็นหนี่มันสิเกิดทำมาชั้นลูกๆมาละใส่พอแมรี่ดี สติกับสัพชัญญะเพลินเรียกว่าบิดาม่านหลายแห่งท่านสัพพัญญะกับสติบุเคยห่างยาป่าถิ่มกันเชื่อเถิดสติเป็นแม่เป็นม่านหลายแห่งท่านปัญญาเป็นบิดาแห่งท่านเดี๋ยวนี้เวลาเดินโจกงกงกันคุบาอาจารย์ถามข้ากับว่าฝึกสติดเดินจูง ก, กงพิจารางพวกพะย่ะยฝึกสติแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะประพฤติธรรมปัญญากับกบุคคลแยกจากกัน เขาเอื่นท้ำสมมังขีมันแก้ปัญหาซอยกันร่วมกันแก้ปัญหาโบแก้ผู้เดียวโดยลําพังสติกะปัญญานีสติกะปัญญาเขากะรู้แล้วละ่ะว่าเป็นมานบาเป็นบิดาแห่งทําก็คือกันก็พ่อกับแม่กันงานไหนมันเหลือบากวัวแห้งพ่อแม่สิบ่าหาข่มโบทับถงคมขี้เจ้าของเรียกว่าถนอมชีวิตเจ้าของเปลี่ยนแล้วในบันฝ่ายของชีวิตในเวลา เข้าอยู่ในใบชรานี่เฮ็ดยังเข้ากับถนอมถนอมระวังเม็ดแอสักผากะมิต่ลูกตาตากุหลาบซกไห้ผู้่าไปย่องผายย่องแพทเนี่ยก็ยังว่าสีครสีนาวโหลดอานา้ากย็ยัง่ยเย็ น, น, นอย่างแแค่ๆปุ้มะนั่นเป็นนั่นแหะเฮ็ดยังไปสู้ยังเนี่ก็บะบาดได้ว่างต้องว่างงานจกงว่พะพอว่างานทุจริตทุอย่างมันบ่มหมอกกับผู้ถาเขาเอืน่นว่าบเป็นกรรมมันย่บอบ่เหมอกกับงานร่างกายของเขานี่คันใบชะล่ามหอดเลยบ่มหมอกกับงานเลย เพื่อจะค่อยเช่นช่วยในห้องปวดกระเสียงงานปวดกระเสียงงานค้าหนีห้องสิเข่าใจเมต่ช้าหน้าคือเคยปวดกระเสียงงานในแจสันเลียงจึงอาจจะมากคึ้นว่าละ่ะเช่นคว่ายแถวเขาบอกมัสยิดขาดสายนี่แสดงว่าช้าหน้าปกดกระเสียงงานในแจสันเลียงโค้ดแถวเขาบอกมัสยิดลอดสายเกียรนี่ก็แสดงว่าช้าหน้าปวเกรเสียงงานในแจโคที่เขาเลียงไว้บายนี้ร่างกายของพ่อของแม่มันบวกกับงานเท่ากับ นัดเนี่ย ก, กับลูกกับหลานว่าให้ซอยพอ่อซอยแม่ไวบงังข้าวเสียได้เป็นคนตัดยู่กับติเวติตาแม่บานท่ามาคือสติสัพชัญญาเกิดขึ้นกันเอื่นหาลูกนั่นแหละบานกุศลท่านทั้งหลายอย่าข้าใจว่ายุ่กับสติสัพชัญญาเด้เขาบอกว่ากุศลท่านข้า ง, งหลายยอมตั้งอยู่บนฐานของอ่าความอดทนเนี่ยมันดูถ้ามีผูดด้ใดมาว่าวกันนี้กันนี้ถ้าเขายุเยี่ยวกับชาวแง่ ออืเขาซบประมาณเขาเหยียดยามเขาหุมห่อนี่สิเขาเดี๋ยวนี้ฟ้าเขาเกิดโกรธนี่สิข่วงโกรดนี่เขาสิเอาชนะด้วยสติเซปชันยะอย่างเดียวดีบ่แม่สติเซปชันยะเขาเรียกว่าเป็นบิดามาดายให้ท่านเดียวยอมยอมเรียกลู่มาใช้งันพอแม่ผู้เฒ่านี่เขาเคลื่อนการเท้าแลี้ยวเขาไปพ่อไม่ดุนึง ทอเล่ามตัวแต่หันแจวว่าไม่ดุนั่นเป็นฟื้นดีแท้ละ่ะเขาเลยเอ่นเอารูผลไมาแบกมาแบกเอาไม้ท้อนนี่ได้หล่ะเฮ้ยไปเฮ็ดลวใ้ฟื้นเทาเห้ยสิลักษณะคว่วมโกลัเกิดเกิดกลัเกิดเจี๋ยเกิ ด, ก ด, กดอารมณ์ชุนเจียวซ้ำกับเขาไปพ่อไม่ดุนยังไงวันนึ่งหันว่าว่ากุศลท่านกุศลท่านทั้งหลายยอมตั้งอยู่บนฐานแหง่งความอดทนในเขาสิดึงสติกำสัพชัญญะซึ่งอุปมาเป็นม่านดาและบิดาแห่งท่านชี้เรียกเอาลูๆนี่มาใช้งาน เขาเคยสวดอยู่เวนต์ว่าขั้นตีปรมังตโบดีดีค่ะขั้นตีคื อ, ค, อ, ค, อวความอดกันเป็นตามเครื่องเผากิเลตเนี่ยแสดงว่าควบอดกันกสิเขามาซอยพอซอยแม่์ซอยสติซอยสเปเชียล์ยยยยยยอดกันก็นต้องทนลำ บ, บากทนตากตดำทนานาดํำขําเครียดไปแล้วเลยดูขันโบอดเป็นในต้องไปเตะข้างเขาจีเลตตัวต้องด่าขันโบเจสันต้องด่าไดา้สายสูงก็ข่วงเครียดค่วมแค้นไปแล้วว่าสาเสียเทเสียโอ้ยดาย่าหยาบไข่หยาร้วนอาจสิเป็นไปได้ คันอารมณ์มันมาบีบคันเฮาดาว่าพูะสติสัพเพชะยะนี่มันจะค่อยเป็นไปให้เฮาได้ระวังกิจระวังใจไงเป็นผู้ลูกจักสัมร่วมใจและผู้ใดจะสัมรวมกิจอือันนี้งว่าเหลืออยู่แมนบัวแยกกิตตางสัญญามีสันติโมวกขันติมาราพันธนานี่ผู้ใดจกระวังกิจสติที่เฮาฝึกไหวมันเปลี่ยนไปเพราะไอแมชลาดเป็นผู้ระวังกิจนั่นเป็นต้นต่อเป็นรากเนา แห่งกัารปฏิโมกสังวรแล้วนะสังร่วมกีดนี่การประพฤติทุจริตที่สแสดงออกมากกายทุจริตแสดงออกไปทั้งว่กีดทุจริตสิบ ม, มีขึ้นเพราะว่าทําทั้งหลายมันมากอากใจผิ่ละขันโศมร่วมใจเป็นไปได้กายทุจริตกับวิกีทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้นมาอืท่านทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงก่อนสังหริจใจนี่เขามันสะเข้ามาสงบระ้งับต้นต่อของมันได้ นั่นนั่นมั่นรายบิดาแห่งถ้ำขึ้นสติสซมชันญานีเพิ่นมีลูกลูกคนไหนใส่ดีเพิ่นเอินหาบอยฮิริโอตปาเยสีขันติสุรจารสีฮิริไอมาขันกุศิดานี่เขากุสิดูถูกได้กูเป็นนักปฏิบัติมาบน่หน่อยปีเพิ่นจัด ง, งานใส่กติดตามเพิ่นเห็นเนี่ยเน่ยเนี่ยเยสียการโลขลาดไปตั้งกวงตั้งไกลไปนอนงกินข้าวต้มกินข้าวโจ้ น, าจนําเพิ่นางานละหกขึ้นเจ็ดขึ้น ขากูเสียเขวซื่อๆคันกูอดบ่เป็ีนสัมนี่กับซีบจักใช้คันจิมายับย่างปิดไอ้อนคันกูเป็นนักปฏิบัติสนามไรเกิดได้ไปนัเพื่อนสนามไรเกิดได้ไปนั่เพื่อนแหนเพื่อนไปทุกสถานที่แล้วบจักอันบงจักอดยิโอใจสิอายอย่างเขาหูม่อเนี่ยิลิมะกะเห็นเห้เฮาไอเนี่ยบงฮิลิก็มาใส่บนมิตลูกของสติสัพัชัญญานี่ล่ะฮิลิก็ได้ฮิลิคว่ละอแก้ใจโอตบะคว่ำกลัว บ่เห็นยานพี่หล่อได้กลัวนี่กลัวย่านโอ้ยอย่านเขาหุมข้อเขาก็ะิดูถูได้แล้วถ้าปฏิบาาัติธรรมบ่เห็นว่าตางเกขาหอกอม่นขี่เรากระชีเราคือเกขาโยบ่เห็นโอ้ยแล้วจะไปทุกงานนี่แหละเพื่อนผู้นี่ก็ได้คือจังหวะวิปัสสนาลูกแจงลวมสภ้อผ้าบาเดิมบห่างบ่เห็นเกินเขาใหญ่ขาวายกังสัน่นเห็นมันตางเขาเนี้เคยเป็นนักเกียวมากกให้มันค่อยลดคอยละ